พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเสพเมทุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตวดิรชนตัวเมียภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องลิงตัวเมียจบ